สัดกก จ, จังธรรมโอโซตบโปบตีอาามิลงโอกาสตอนนี้ไปก็จะได้ฟังวัฒธรรมเจนนาขอนอบน้อมแด่พระธรรมาพระพุทธเจ้าอรหันตะสมมาทรมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัด น, นี้เป็นการเวลาแล้วที่เราจะได้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 เรียว่าจิตแคบจิดแคบแทบทำอะไรก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะรุ่งเรืองหรือว่ารุ่งโรดอย่งจต้องมีความว่างขวาง ม, ม, มีเหตุมีผลมีสติเพียงพอมีปัญญาสมาีิปัญญาพอในการที่จะขับเคลื่อนแลวมี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 ทุจริตทางวาจาให้กายทําผิดทุจริตทางกายคายกรรมอันนี้เรียกว่ากรรมมังวิสุทธิจิตบุคคลย่อมทำารทากรรมอย่างบริสุทธิ์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 ปหาณาจิตหมายถึงว่าสําเร็จแล้วก็อทางวาจาก็ก็เป็นบาปทางวจีกรรมทางกายก็บาปทางกายกรรมและสิ่งอีกนําให้เราทํากรรมชัว่วกรรมดีก็มีเท่าความโลกความโลกความโกรธความหลงสาอย่างสําคัญที่สุดเป็นกินเลส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 เอามาก็เท่าก็าเอามาใช้ในกิจวัติประจำวันเราใช้นุ่งหืมใช้เป็นค่าอาหารใช้เป็นยารักษาโรคใช้เป็นเครืหาสฐานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใช้เป็นเลือกสวนไรนาโชกียสมบัติได้มาก็ต้องมาทำทางฐานทางฐาน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 กึ่งกลางๆหันหน้าหนหลังนี่ถ้าเราเดินไม่พยาพยามใช้สติจริๆงๆมุ่งหน้าเดินนี่มันสุดให้ตรงไปสู่ความปรารถนาตรงไปตูความสาเร็จเราไปได้สักพักก็จะเกิดความท้อถอยเกิดความว้าเวีเพื่อนเขาก็าไปกันไกลริบ ๆ, ๆแต่เราก็ยัง นาวาชีวิตของเราไปอย่างไม่มีเป้าหมายหรืขับไม่เป็นอควบคุมไม่เป็นเรือกวนไปวนมาเพรานการที่เราจะเดินไปสุนมหาปลายทางเราต้องขยันหมั่นเพียรคุณสมบัติจะนำมาถึงความสาเร็จในการประกอบภารกิจใดๆก็ตามเราต้องมีความขยันเรว่าบริทะ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 แล้วก็นี้ไม่พ้นกฎแห่งกรรมแตตามล้างตามล่าเราไม่เลิกนี่ล่ะตั้งจปะปฐมโพธิการมัชิมะโพธิการถึงปัจฉจะโพธิการพระองค์ทรงหลับขันพระนิพพานมาแล้วเนี่ยองค์ตัตรู้แล้วก็นำเอาสิ่งเหล่านี้เอามาประกาศใย้ญาโยามได้รู้หลักการตรงที่ถูกต้องแล้วจะได้เป็นไปได้อย่างสงบถูก่มเย็น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 อย่างสุดจริษกินก็นไมนะานนาทอนร้อนใจจะให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่มีแล้วจะก่อให้เกิดแต่พลังงานที่ดีเพราะจิตใจเราก็ดีไม่ต้องอะสะทกสะทะสะทานขณะขณะที่กินถึงการกระทําแต่เราได้มาทางสุจริษกินเข้าไปก็ก็มีความขยดหย่องตัวเองบ้างบางครั้งบางกล า, าวคนเราไม่ใช่ชั่วเสม อ, อยีบสี่ชั่วโมงบางทีความ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 ทำทานแก่สำนัชีพามหรือผู้อยากไรคำว่าอยากไร้ในที่นี้ก็หมายถึงว่าผู้ที่ทำหากินเพื่อปากเพื่อท้องอะน ะ, อะเชี่ยวออกขอออกอกะไรถ้าเขาขอให้เถอะจะเป็นมือ่อ ด, ดีดีก็ให้แล้วอย่าไปด่าเขาให้คือความเคารพในผลทานเหล่านั้นเอขอให้พอแล้วก็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 ตัวเขาเองที่ยังยากจนเขินใจอ่ะออย่างนี้มันก็ไม่ค่อยได้อะไรเสียเงินเปล่าได้น้อยถ้าเราไข่ด้วยความเคารพรับด้วยพรที่เ ข, เขาให้เรามาเนี่ยมันไม่ใครให้พรเราให้ให้ให้ตายหาตายหงคงไม่มีหรอกมีแต่ให้ดีเท่านั้น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 แข่งกันด้วยอำนาจกิเลสไม่ใช่เกิดอำนาจธรรมความเห็นชอบเนี่ำริชอบเียเกิดมาจากความเห็นผิดดำริผิดคิดผิดต่างคนต่างชันขันแข่งเพื่อจะเอาตัวให้เด่นว่าใครว่างั้นกันความมานะมันถงอขึ้นแล้วเนี่ยว่าจะเอาให้เด่นกว่ากันนะตัวตันหายเลยก็ทะเยอทยาน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 หมดเนื้อหมดตัวมาเรื่อยๆยไอ้ตัวกิเลสมันมีเจ็ดอย่างนั้นเองกิเลสคนเราเนี่มีโลภโกรธหลงทิฏฐิความเห็นมานะถือตัวถือตนตัณหาทโยอทยานขันแข่ง น, นะะอุปท า, านสวามยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสี่พบกี่ชากี่กลับกี่กักน แต่มันพาเราเวียนว่าแต่เกิดลักษณะนี้เดียวนี้เราก็ยังไม่เคยทำนึกถึงความผิดพลาดบกพร่องของเราที่ทําไมถึงจะต้องเวียนวนทนทุกข์อย่างนี้มาว่จับจบจากสิน้นกี่กลับกี่การแล้วที่เราเวียนมาเนี่ยชาติน้ำไม่ใช่เราไม่เคยเจอพุทธเจ้าเคยเจอเคยเจอแต่เรายังบารมีอินทรียยังอ่อนแอเกินไปความทำคําสอนของพระองค์ก็ยังไม่เข้าใจ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 มาตั้งกับเขาวางวางหยดเลือดว่าแค่คลายหางจามรีพอแม่วางอาไว้เท่านั้นแล้วข้ามากก็ไปชนที่กอนเลือดนั้นก็ใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยเรืนกระทั่ ง, งครบกาหนดทดสมาตรสิบเลือนก็คลอดออกมาถ้าไม่มีวิญญาณอาศัยในก้อนเลือดนั้นอันนี้ไม่มีวิญญาณเข้าชนที่ก้อนลดนั้นก็จะออกมาเองโดยธรรมชาติ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 แล้ ว, วคิดจะกลับตัวกลับไม่ได้เดีแล้วเพราะมันถลําำลึกเกินไปอันที่จะกลับมาได้ง่ายๆก็พวกเดรชาณเดรชาที่อยู่กับเราเนี่ยมันพ้นเบญปุ้กรรมง่ายแต่เขาได้อยู่ก่อก่อคนที่มีบุญคือเขาทำพวกนี้ทำไมจึงได้มาอยู่คนมีบุญพวกเดรชาณทั้งหลายมีสุนักมีแมวมีอะไรพวงเนี้ย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 ก็แสวงหาแต่ทรัพย์สินเข้าไปนึกว่ามีมากๆมีเงนเทุกอย่างทำอะไรก็ได้แต่ไม่จริงหรอกทําไม่ได้หรอกบางคนเงินเป็นพันล้านเงินล้านนั้นกลับประเทศไม่ได้ก็มีเช่นไิลิปปินมา ก, ก็เนะกลับไม่ได้เป็นถึงประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะอ่ะอเอา ง, งินโนมานของอันดีนะ้ไปเข้าบัญชีตัวเองฝากแอบฝากไว้ต่างประเทศ เงินก็ประมาณเหลือการพัฒ น, นาประเทศก่อน้อยฝาย่ายค้านรู้เข้าก็ลุกคือขึ้นก็ต้องหนีหัวทุกหัวทุนไปอยู่ต่างประเทศกลับมาก็ก็มาให้กลับอีกกลับม า, บมาต้องจับติดคุกติดตารางเขาว่าไงเข้ามาให้กลับอีกไอ้เมียกลับคนเดียวตายก็ยังไม่เอาศพกลับอีกพนันมากอดเนี่ยเป็นถึงประธานาธิบดี ชาอนันดอนเท่ากับพระราชาเลยเนะมืม่อเร็วๆนี้จะเอากระดูกมาใ ส, สายถุงสารมีตาชนเข้าไม่เข้าอีกเขาบอกว่ากระดูกของพนันมาก่อนไม่ใช่มีชนเป็นทารชนเห็นไหมเอมอเป็นทารชนทาราดเนี่ย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 ก็มีทุกข์ความตายอตายก็เป็นทุกข์อีกเกิดแกเด่เจ็บตายนะแล้วมันมีกา ย, ย, ายามันย้ำรับมันย้ำยั้ยยงได้นะอมันเป็นอนิจจังทุกขัง อ, น, อนัตตาอนิจจังพระเจ้าเป็นตรงคนพบทุกขังพระองค์ก็ตรงคนพบเพราะมันทําให้ทุกประทิงทั้งหลายต้องเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปเป็นอนิจจัง